เทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเทระหนึ่งสารีบุตรเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเทระพระอนนทเทระกล่าวว่าต่อไปนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังประวัติในอดีตชาติของพระเทระทั้งหลายต่อไปพระสารีบุตรเทระบรรลุสาวกบารมีญาณแล้วได้อุทานขึ้นว่า ในที่เมื่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อลำพกะใกล้ๆภูเขาลำพกะนั้นเขาสร้างอาสมและสร้างบรรณสาลาไว้อย่างดีเพื่อข้าพเจ้าในที่เมื่ไกลาอาสมของข้าพเจ้ามีแม่น้ำสายหนึ่งมีฝั่งตื้นท่าน้ำราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจมีทายสะอาดเรียรายกระจายอยู่ทั่วในที่เมื่ไกลาอาสมของข้าพเจ้านั้น มีแม่น้ำไม่มีก้อนกรธดไม่มีเงื้อยื่นง้มออกมาน้ำมีรสดีไม่มีกลิ่นไหลไปประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามในแม่น้ำมีฝูงจระเข้ฝูงมังกรฝูงตะโขงฝูงเต่าแหวกว่ายไปมาในแม่น้ำสายนั้นประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามฝูงปลาสลาดัดฝูงปลากระบอก ฝูงปลาสวายฝูงปลาเขา้าฝูงปลาตะเพียนฝูงปลานกกระจอว่ายเวียนไปมาประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามที่ฝั่งทั้งสองของแม่นาม้าหมู่ไม้ดอกไม้ผลห้อยระยะอยู่ทั้งสองฝั่งประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นมะม่วงต้นสาละต้นหมากเม่าต้นแค่ฝอยต้นย่านทรายมีดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิดอยู่รอบๆอาสมของข้าพเจ้าต้นจำปาต้นช้างนาวต้นกระทุ่มต้นกากระทิงต้นบุญนาคและต้นการะเกดมีดอกบานสะพรั่งทรงกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิดอยู่รอบๆอาสมของข้าพเจ้าต้นลำดวนต้นอโศกต้นกุหลาบมีดอกบานสะพรั่งต้นปรูและต้นมะกลำหลวง S <S <an> ก็มีดอกบานสะพร่างอยู่รอบรอบอาสมของข้าพเจ้าต้นลำเกี่กต้นกล้วยต้นพิคุลและต้นมะลิซ้อนส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นกานิ ก, กาต้นกานิ ก, กาเขาต้นประดูต้นอัญชันมากมายส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นบุญนา ต้นบุญนาคเขาต้นแครไฟลมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิดาประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นราชพฤกษ์ต้นอัญชันเขียวต้นกระทุ่มและต้นพิกุลมากมายส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิดาประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามถั่วดำถั่วเหลืองต้นกล้วยต้นมะง่วนงอกงามด้วยน้ําหอม ออกฝกักออกผลเป็นทองคําประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามในบึงใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้าปทุมบางกอกกาลังมีดอกตูมบางกอกมีเกรสรกําลังแย้มบางกอกมีเกรสรในกลีบร่วงหล่นบางกอกมีดอกบานสะพรั่งอยู่ในบึงในครั้งนั้นปทุมบางกอกกาลังมีดอกตูมเง่าบัวเลื้อยไปทั่วกอรกระจับ มีใบดารดาษงดงามอยู่ในบึงในครั้งนั้นต้นตาเสือต้นจงกล น, นีต้นอุตตลีและต้นชบามีดอกบานสะพรั่งทรงกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพย์อยู่ใกล้ๆบึงในครั้งนั้นฝูงปลาสลาดฝูงปลากระบอกฝูงปลาสวายฝูงปลาเขาฝูงปลาตะเพียนฝูงปลาสังกุลาปลาลูกดอกและฝูงปลาทอง อาศัยอยู่ในบึงในครั้งนั้นใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้ามีฝูงจระเข้ฝูงตะโขงฝูงปลาชนากฝูงผีเสื้อน้ํายักษ์ร้ายฝูงงูหลามฝูงงูเหลือมอาศัยอยู่ในบึงในครั้งนั้นใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้ามีฝูงนกพิราบฝูงนกเป็ดน้ําฝูงนกจักรภาคฝูงนกกาน้ําฝูงนกดูว่าฝูงนกแก้ว และฝูงนกสาลิกาอาศัยฉะนั้นหากินฝูงนกกวักไก่เทอนไก่ปลาฝูงไก่ปลาฝูงนกนางนวลฝูงนกต้อยตีวิตฝูงนกแขกเต้าอาศัยสะนั้นหากินใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้าฝูงนกฝูงนกกเรียนฝูงนกยูงฝูงนกดูว่าฝูงไก่งวงฝูงนกช้อนหอยฝูงนกโพรดก นกกระจอกนกออกอาศัยสะนั้นหากินฝูงนกแสกนกเขาแมวนกทึือฝูงนกหัวขวานฝูงนกออกขาวนกเขาฝูงนกเหยี่ยวดำฝูงนกกาหนามมากมายอาศัยสะนั้นหากินฝูงเนื้อฟานอีเก้งฝูงหมูป่าฝูงสุนัขจิ้งจอกหมาป่าหมาในฝูงแรดฝูงละมั่ง ฝูงเนื้อสายอาศัยสะนั้นหากินราชสีเสือโครง่งเสือเหลืองหมีหมาในเสือดาวช้างตระกูลมาตังคะตกมันสามแห่งไม่ทําอันตรายอาศัยสะนั้นหากินเรากินนอนสัตว์ครึ่งคนครึ่งนกฝูงวานอนคนทํางานในป่าสุนักไล่เนื้อในพรานอาศัยสะนั้นหากินต้นมะพร้าตต้นมะหาด ต้นมะสางต้นหมากเม่าผลผลทุกฤดูกาลอยู่ไม่ไกลอาสมของข้าพเจ้าต้นคำต้นสนต้นกระทุ่มจะพรั่งด้วยผลมีรสหวานผลผลเป็นประจำอยู่ไม่ไกลอาสมของข้าพเจ้าต้นสมอไทยต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงต้นว่าต้นสมอพิเภกต้นกระเบาต้นรกฟ้าต้นมะตูมเหล่านั้นผลผลเป็นนิจ มันเทศมันอ้อนมันมือเสือหัวหอมหัวกระเทียมต้นกระเมงต้นขัดมอนมีอยู่มากมายใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้าใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้ามีบึงน้ำที่บุญกรรมเนรมิตไว้อย่างดีมีน้ำใสยเย็นสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจสระน้ำเหล่านั้นดารดาดด้วยดอกบบวหลวงดอกบัวขาบ จะพร่งด้วยบัวขาวดารดาษด้วยบัวเพลินสรงกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพครั้งนั้นข้าพเจ้าอยู่ในอาสมซึ่งสร้างไว้อย่างดีน่ารื่นรมในป่ามีไม้ดอกไม้ผลสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างดังกล่าวมานี้ข้าพเจ้าเป็นดาบทชื่อสุรุจิมีศีลสมบูรณ์ด้วยข้อวัดมีปกติเพ่งชาน ยินดีในฌานในการทุกเมื่อสำเร็จอภิญญาพระห้าประการข้าพเจ้ามีสิทธิ์ 1,024 คนทั้งหมดนั้นเป็นพรามมีชาติตระกูลมียศปรนิบัติข้าพเจ้าอยู่สิทธิของข้าพเจ้าเข้าใจตัวบทหลักวยากรณ์ฉลาดในการพยากรณ์สำเร็จวิชาทำนายลักษณะวิชาอิติหาสักจากและไตรเพศอันเป็นธรรมของตน พร้อมทั้งวิชานิคขันธุศาสตร์และวิชาเกตตพศาสตร์สิทธิของข้าพเจ้าฉลาดในลางบอกเหตุในนิมิตและในลักษณะเป็นผู้ศึกษาดีแล้วในเรื่องดินในภ้า พ, พื้นดินและในอากาศสิทธิเหล่านั้นเป็นผู้มักน้อยมีปัญญารักษาตนบริโภคแต่น้อยไม่โลภสันโดษตามีตามได้ปรนิบัติข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ สิทธิของข้าพเจ้ามีปกติเพ่งฌานยินดีในฌานเป็นนักปราดมีจิตสงบมีจิตตั้งมั่นปรารถนาความหมดกังวลปรนิบัติข้าพเจ้าอยู่ทุกเมือ่อสิทธิของข้าพเจ้าสำเร็จอภิญญายินดีในอาหารซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของบิดาเหาะไปมาทางอากาศได้เป็นนักปราดโปรนิบัตข้าพเจ้าอยู่ทุกเมือ่อสิทธิของข้าพเจ้านั้นสำรวมทวารทั้งหกไม่หวั่นไหว รักษาอินทรีย์และไม่คลุกคลีเป็นนักปราดหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากสิทธิของข้าพเจ้านั้นหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากให้เวลาผ่านไปด้วยการนั่งขัดสมาธิการยืนและการจุงกรมตลอดคืนสิทธิของข้าพเจ้าไม่กำหนัดในวัตถุที่หน้ากำหนัดไม่ขัดเคืองในวัตถุที่หน้าขัดเคืองไม่ลุ่มหลงในวัตถุที่น่าลุ่มหลงหาผู้กระทบกระทั่งได้ยาก สิทธิของข้าพเจ้านั้นหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากด้วยการแข่งดีทดลองแสดงฤทธิ์อยู่เป็นนิดบันดาลให้แผ่นดินไหวได้สิทธิของข้าพเจ้านั้นหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากเมื่อจะเล่นก็เล่นชาญเข้าชาญไปนำผลว่ามาได้สิทธิของข้าพเจ้านั้นพวกหนึ่งไปอาประโคโยานทวีป พ, พวกหนึ่งไปปุปภาพวิเทหทวีป พวกหนึ่งไปอุตรกุรุทวีปสิทธิของข้าพเจ้านั้นส่งหาบริขารดาบทไปข้างหน้าส่วนตนเองไปทีหลังท้องฟ้าถูกดาบทหนึ่งพันยี่สิบสี่รูปปิดบังไว้แล้วสิทธิของข้าพเจ้านั้นพวกหนึ่งเผาผลไม้น้อยใหญ่และผักไฟชั้นพวกหนึ่งไม่เผาไฟชั้นดิบๆพวกหนึ่งกระเทอกเปลือกออกชั้นพวกหนึ่งตามชั้น พวกหนึ่งเอาหินทุกชั้นพวกหนึ่งชั้นผลไม้ที่หล่นเองสิทธิของข้าพเจ้านั้นหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากพวกหนึ่งรักความสะอาดลงอาบน้ําทั้งเช้าทั้งเย็นพวกหนึ่งตักน้ําอาบสิทธิ์ของข้าพเจ้าประพฤติวัดปล่อยเล็บมือเล็บเท้าและขนรักแร้ยาวขี้ฟันเคลอะสีจะเปื้อนทุลีแต่หอมด้วยกกลิ่นศีลหาผู้กระทบกระทั่งได้ยาก ดาบทั้งหลายผู้ทรงชดามีตะบะแก่กล้าประชุมกันแต่เช้าแล้วประกาศลาบน้อยลาบใหญ่ให้ทราบแล้วเหาะไปในท้องฟ้าเมื่อดาบทเหล่านั้นเหาะไปเสียงดังย่อมสะพัดไปทวยเทพย่อมยินดีเพราะได้ยินเสียงหนังสักฤาษีผู้เหาะไปทางอากาศไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ฤาษีเหล่านั้นมีกำลังของตนอุปถัมจึงไปได้ตามปรารถนา โรยสีเหล่านั้นทั้งหมดทําแผ่นดินให้ไหวเที่ยวไปในอากาศมีเดชแผ่ไปใครๆไม่อาจข่มได้ผู้อื่นไม่อาจให้หวันไหวได้ดังสมุดสาครที่ใครอื่นให้กระเพื่อมไม่ได้โรยสีผู้เป็นสิทธิของข้าพเจ้าบางพวกยืนและเดินจงกรมบางพวกเธอการนั่งเป็นวัดบางพวกฉันใบไม้ที่หล่นเองหาผู้กระทบกระทั่งได้ยาก สิทของข้าพเจ้าเหล่านั้นมีปกติอยู่ด้วยการแผ่เมตตาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ไม่ยกตนไม่ข่มใครใครสิทของข้าพเจ้านั้นไม่สะดุ้งกลัวอะไรเหมือนราษฎรีมีกำลังเหมือนพญาโคจฉานหาผู้กระทบ ก, กระทั่งได้ยากเหมือนพญาเสือโคร่งย่อมมาอยู่ใกล้ข้าพเจ้าพวกวิทยาโทนพวกเทวดานาคคนทันผีเสื้อน้ํา กุมภันฑ์ทานพอสูนครุฑอาศัยสะนั้นหากินสิทธิ์ของข้าพเจ้าเหล่านั้นเกล้าชดาคลบริขารนุน่งหม่มหนังสัตว์เที่ยวไปในอากาศได้ทุกตนอาศัยสะนั้นหากินครั้งนั้นสิทธิ์เหล่านั้นเป็นผู้เหมาะสมกันและกันมีความเคารพต่อกันละกันสิทธิ์หนึ่งพันยี่สิบสี่คนไม่มีเสียงไอเสียงจามเลย สิทธิเหล่านั้นเดินเข้าแถวกันเงียบเสียงสำรวมดีทั้งหมดเข้ามากราบข้าพเจ้าด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้ามีปกติเข้าฌานยินดีในฌานอยู่ในอาสมแห่งนั้นมีสิทธิเหล่านั้นแวดล้อมซึ่งเป็นผู้สงบมีตาบะอาสมของข้าพเจ้าหอมด้วยกลิ่นสองอย่างคือกลิ่นศีลของเหล่าฤาษีและกลิ่นดอกไม้ผลไม้ของต้นไม้ที่ผลิดอกออกผล ข้าพเจ้าไม่รู้คืนและวันความไม่พอใจมิได้มีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าสั่งสอนสิทธิ์ของตนด้วยความร่าเริงอย่างยิ่งเมื่อดอกไม้บานและผลไม้สุกมีกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามข้าพเจ้าออกจากสมาธิแล้วมีความเพียรเผากิเลสมีปัญญารักษาตนคอนหาบริขานดาบทเข้าป่าไปครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้ศึกษาจนชำนาญในลางบอกเหตุในความฝันและในลักษณะทั้งหลายทรงจำบทแห่งมน์ที่แพร่หลายอยู่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าอนมมัสสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนทรงประสงค์วิเวกตระสรู้เองโดยชอบจึงเสด็จเข้าไปยังป่าหิมพานพระองค์ผู้เป็นมุนีผู้เลิศทรงประกอบด้วยพระกรุณา ผู้สูงสุดแห่งบุรุษเสด็จถึงป่าหิมพานแล้วประทับนั่งขัดสมาธิข้าพเจ้าได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีแสงสว่างเจรจ้าหน่ารื่นรมใจทรงรุ่งเรืองดังดอกบัวเขียวเป็นดุจแท่นบูชาไฟสว่างเจรจ้าข้าพเจ้าได้พบเห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงรุ่งเรืองดุจต้นพฤกษาประทีพ ดูดสายฟ้าสว่างจ้ากลางอากาศดูดต้นพยามาจาละมีดอกบานสะพรั่งอยู่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ประเสริฐมีความเพียรมากเป็นพระมุนีผู้กระทําที่สุดทุกข์ได้แล้วเวไนยสักได้อาศัยการพบเห็นนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ครั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพแล้วจึงได้ตรวจ ด, ดูลักษณะว่า เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เอาละเราจะดูพระชินเจ้าผู้มีพระจักสุที่พื้นฝ่าพระบาทอันยอดเยี่ยมปรากฏมีจักมีกรรมตั้งพันเขาพระเจ้าได้เห็นลักษณะทั้งหลายของพระองค์แล้วจึงถึงความแน่ใจในพระตถาคตครั้งนั้นเขาพระเจ้าได้หยิบไม้กวาดมากวาดสถานที่นั้นแล้วได้นาดอกไม้มาแปดดอกบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด ครันข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นโขะได้แล้วไม่มีอาสวะพระองค์นั้นแล้วจึงห่มหนังสัตว์ช่วยบ่านมัส ก, การพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะประทับอยู่ด้วยพระญาณอันใดข้าพเจ้าจะประกาศพระญาณอันนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้ากล่าวเถิดดาบทสุรุจิ กล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคอนุมัติสีว่าข้าแต่พระสยามภูผู้มีพระคุณหาประมาณมิได้ขอพระองค์จงทรงช่วยสัตว์โลกนี้ให้พ้นจากสังสารวัฏเถิดสัตว์เหล่านั้นอาศัยการพบเห็นพระองค์แล้วจะข้ามกระแสแห่งความสงสัยได้พระองค์ทรงเป็นศาสดาเป็นยอดเป็นธงชัยเป็นเสาหลักเป็นจุดมุ่งหมายเป็นที่พึ่ง เป็นดุดดวงประทีปของเราสัตว์เป็นผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระสัพพัญยูน้ำในมหาสมุทรสามารถที่จะประมาณได้ด้วยมาตราตรวงแต่พระยานของพระองค์ไม่มีใครสามารถจะประมาณได้เลยข้าแต่พระสัพพัญยูแผ่นดินยังสามารถที่จะนำมาวางไว้บนตราช่างแล้วช่างดูได้แต่พระยานของพระองค์ไม่มีใครสามารถจะช่างดูได้ ข้าแต่พระสัพพันย์อยู่อากาศยังสามารถที่จะใช้เชือกหรือนิ้วมือวัดดูได้แต่พระญาณของพระองค์ไม่มีใครสามารถจะวัดดูได้น้ำในมหาสมุทรทั้งหมดและแผ่นดินทั้งสิ้นบุคคลก็ยังข้ามได้แต่พระพุทธญาณไม่ควรโดยการนำมาเปรียบเทียบข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุขจิตโค้งสัตว์เหล่าใดแล่นไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลก สัตว์ผู้บมีจิตเหล่านั้นได้อยู่ในข่ายคือยานของพระองค์ข้าแต่พระสัพพันย์อยู่พระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณอย่างสูงสุดทั้งสิ้นด้วยพระญาณใดพระองค์ทรงย่ำยีอัญญะเดรถีทั้งหลายด้วยพระญาณ น, นั้นพระเถระทั้งหลายผู้ทําสังขยานากล่าวว่าท่านสุรุจิดาบทนั้นครั้นกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงปูลาดหนังสัตว์นั่งลงบนแผ่นดิน ดาวบุรสุรุจินั่งอยู่ณที่นั้นแล้วกล่าวว่าผู้คนกล่าวกันในบัตรนี้ว่าคุ้นเขาอย่างลงในห่วงมหันนบแปดมื่นสี่พันโยธสูงขึ้นไปแปดหมื่นสี่พันโยธเช่นกันภูเขาสินเนรุก็สูงสุดเท่านั้นภูเขาสินเนรุนั้นทั้งด้านยาวทั้งด้านกว้างถึงเพียงนั้นก็ยังถูกบทให้ละเอียดเป็นแสนโกธ ด, ด้วยการนับข้าแต่พระสัพพันยู เมื่อตั้งคะแนนไว้พง์แห่งภูเขาสิเนรุก็จะพึงหมดสิ้นไปก่อนแต่พระยานของพระองค์ไม่มีใครสามารถจะนับได้ผู้ใดพึงเอาขายตาทีๆพึงล้อมน้ำไว้สัตว์น้ำทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะพึงเข้าไปอยู่ในภายในขายฉั้นใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากเดรถีมากมายบางผู้ก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมเข้าไปสู่ป่าทึบเคทิถิ ถูความยึดถือทำให้ลุ่มหลงเดรถีเหล่านั้นเข้าไปภายในข่ายเพราะพระยานอันบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งมีปกติเห็นสรรพสิ่งไม่มีอะไรขัดขวางเดรถีเหล่านั้นหาล่วงเลยพระยานของพระองค์ไปไม่ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคชินเจ้าพระนามว่าอนมุมัตสีผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่ออกจากสมาธิแล้วตรวจดูทิศพระสาวกนามว่า นิสภะของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอนุมทัติสีผู้เป็นมุนีมีภิกษุแสนรูปเป็นผู้มีจิตสงบผู้คงที่แวดล้อมแล้วผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้บริสุทธิ์ผู้ได้อภิญญาหกผู้คงที่ทราบพระดําริของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลก สาวกเหล่านั้นยืนกลางอากาศนที่ใกล้พระผู้มีพระภาคนั้นได้กระทำประทักษิณประนมมือนมัส ก, การแล้วลงมาเฝ้านาสำนักพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคชินเจ้าพระนามว่าอโนมทัศสีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกษุแล้วทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระสาวกนามว่าวารุณนะ ผู้เป็นอุปถาของพระศาสดาพระนามว่าอโนมาทสีห่มผ้าฉเวียงบาแล้วทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคอะไรเนาะเป็นเหตุให้พระศาสดาทรงแย้มพระโอษฐ์ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีเหตุพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมทัทสีผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้องอาจกว่านรชนประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิกษุแล้วได้ตรัสพระคถานี้ว่าเราจะพยากรดาบทผู้ที่ใช้ดอกไม้บูชาเราและชมเชยยานของเราเนืองๆขอท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดเทวดาทั้งปวงทราบพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแล้วมาประชุมกันเทวดาเหล่านั้นประสงค์จะฟังพระสัจ ธ, ธรรมจึงเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มูเทวดาผู้มีฤทธิ์มากทั้งสิบโลกาธาตุเหล่านั้นประสงค์จะฟังพระสัทธธรรมจึงเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากองทัพสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลรถพลเดินเท้าจักแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นกลองที่ประดับตกแต่งสวยงาม จากบ่มรงบำเรอผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าสตรีสาวล้วนหนึ่งหนพันนางประดับตกแต่งสวยงามสวมใส่ผ้าอาภรณ์อย่างงดงามหอยตุ้มหูแก้วมณีมีหน้ากลมโตมีปกติร่าเริงรูปร่างงามเอวเล็กเอวบางจากแวดล้อมผู้นี้เป็นนิจนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ผู้นี้จเรื่นรมในเทวโลกตลอดแสนกัปจากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในแว่นแคว้นพันชาติจากเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติพันชาติจากได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูรนับชาติไม่ท่วนเมื่อพบสุดท้ายมาถึงผู้นี้จะเปิดเกิดเป็นมนุษย์นางพรามณีชื่อสารีจากตั้งคันผู้นี้จะปรากฏนามว่าสารีบุตรตามชื่อและโคดของมารดา จากเป็นผู้มีปัญญาหลักแหลมจากเป็นผู้ไม่มีความกังวลและทิ้งทรับประมาณแปดสิบบทแล้วออกบวชเที่ยวแสวงหาทางแห่งความสงบทั่วแผ่นดินนี้เ น, นกลับที่นับไม่ได้นับจากกลับนี้ไปพระศาสดา พ, พระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอก า, ก า, การากราชจากอุบัติขึ้นในโลกดาบทนี้จะมีนามว่าสารีบุตร เป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจากเป็นอครสาวก ข, ของพระาศาสดาพระองค์นั้นแม่น้ำพาคีระธีนี้ไหลมาจากภูเขาหิมพานไหลลงสู่มหาสมุทรทำมหาสมุทรให้เต็มชั้นใดสารีบุตรนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันจากเป็นผู้สามารถกล้าในไตรเพศจากสำเร็จปัญญาบารมีแล้วให้หมูสัตว์อิ่มเอิบได้ ตั้งแต่ป่าหิมพา่านจนถึงทะเลมีห่วงน้ำกว้างใหญ่ในช่วงระหว่างนี้มีกองทรายอยู่ขนาดเท่าใดคำนวณ น, นับไม่ได้แม้กองทรายขนาดเท่านั้นสามารถจะคำนวณ น, นับได้โดยไม่มีเหลือด้วยการนับวิธีใดแต่ปัญญาของสารีบุตรจะมีที่สุดโดยวิธีนับนั้นๆก็หาไม่ได้เมื่อตั้งคะแนนไว้บรรดาทรายในแม่น้ำคงคาก็จะพึงหมดสิ้นไป แต่ปัญญาของสารีบุตรหาหมดสิ้นไปไม่คลื่นในมหาสมุทรคานวณ น, นับไม่ได้ปัญญาของสารีบุตรจะไม่มีที่สุดอย่างนั้นเหมือนกันสารีบุตรนั้นจะทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมสักยะผู้ประเสริฐสงโปรดปราณแล้วสำเร็จปัญญาบารมีเป็นอัครสาวกของพระองค์สารีบุตรนั้นจะประพฤตตามพระธรรมจักที่พระผู้มีพระภาคผู้ศักยะบุตร ผู้คงที่ทรงประกาศไว้แล้วบรรดาลเม็ดฝนคือทาให้ตกลงโดยชอบพระผู้มีพระภาคผู้โคโดมศักยะผู้ประเศรศสริฐทรงทราบความนั้นทั้งหมดแล้วประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกษุจากทรงตั้งสารีบุุรไว้ในตำแหน่งอครสาวกโอ้กรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญญาธิการแต่พระาศาสดาพระนามว่าอนุมัตสีแล้ว สำเร็จปรมีในจำนวนคุณทั้งสิ้นชื่อว่าเป็นกรรมที่ทำไว้ดีแล้วหนอกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในการที่จะกำหนดจำนวนมิได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วด้วยความเร็วแห่งลูกสอนพ้นไปจากแหล่งเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วข้าพเจ้านั้นเมื่อเที่ยวสแสวงหาทางที่ไม่หวั่นไหวเขินนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ เลือกเฟ้นเจ้าลัทธิทั้งปวงจึงเวียนไายตายเกิดอยู่ในภพคนเป็นไข้พึงสแสวงหายารักษาพึงสะสมทรัพย์ทั้งปวงไว้เพื่อพ้นจากความเจ็บไข้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเมื่อเที่ยวสแสวงหาทางคืออมตะนิพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้จึงได้บวชเป็นรูสีห้าร้อยชาติติดต่อกันข้าพเจ้าเพียรพร้อมด้วยชดาและภาระบริคานนุ่ห่มหนังสัต สำเร็จอภิญยาได้ไปเกิดยังพรหมโลกเว้นศาสนาของพระชินเจ้าเสร็จแล้วก็หาความบริสุทธิ์ในลัทธิภายนอกไม่ได้เหล่าสัตว์ผู้มีปัญญาย่อมบริสุทธิ์ได้ในศาสนาของพระชินเจ้าสิ่งที่สำเร็จด้วยการทำของตนนั้นไม่เป็นดังที่ได้ยินกันต่อๆมาว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาเจ้าเมื่อแสวงหาทางอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ จึงเที่ยวไปในลัทธิที่ผิดคนที่ต้องการแก่นไม้ตัดต้นกล้วยแล้วผ่าก็จะไม่พึงได้แก่นไม้ในต้นกล้วยนั้นเขาย่อมเป็นผู้ร้ายแก่นไม้ฉันใดเราเดรธีทั้งหลายในโลกก็ฉันนั้นมีทิฏฐิต่างกันถึงจะมีจำนวนมากก็เป็นผู้ว่างเปล่าจากนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ดุดต้นกล้วยว่างเปล่าจากแก่นไม้ฉนั้นเมื่อพบสุดท้ายมาถึง เข้าไปเจ้าเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ได้ละทิ้งโภคสมบัติมากมายแล้วออกบวชเป็นบนรรณชิตภาณวาระที่หนึ่งจบพระสารีบุตรเทระกราบทูลว่า พระองค์อยู่ในสำนักของพรามนามว่าสันชัยซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพรามนามว่าอชัชชิสาวกของพระองค์ซึ่งหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากมีเดชแผ่ไปเที่ยวบินธบาทในครั้งนั้นข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้ประเสริฐนั้นผู้มีปัญญาเป็นมุนีมีจิตตั้งมั่นในความเป็นมุนีมีจิตสงบ เบิกบานดุจ ด, ดอกประทุมที่แย้มบานเพราะเห็นท่านผู้ฝึกฝนดีแล้วมีจิตบริสุทธิ์องค์อาจประเสริฐมีความเพียรความคิดของข้าพเจ้าจึงเกิดขึ้นว่าท่านผู้นี้คงจะเป็นพระอรหันต์ท่านผู้นี้เคลื่อนไหว้กริยาท่าทางน่าลื่มใสรูปงามสำรวมดีฝึกฝนแล้วในอุบายเครื่องฝึกอย่างสูงสุดคงจะเป็นผู้เห็นทางอมตะ ทางที่ดีเราควรจะถามท่านผู้มีประโยชน์อย่างสูงสุดผู้มีจิตยินดีหากท่านถูกเราถามแล้วจักตอบเราก็จักย้อนถามท่านอีกในครั้งนั้นข้าพระองค์ได้เดินตามไปข้างหลังท่านผู้กำลังเที่ยวบินทบาตรอคอยโอกาสอยู่เพื่อจะสอบทางทางอมะตะจึงเข้าไปหาท่านซึ่งอยู่ในระหว่างถนนแล้วถามว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุขุผู้มีความเพียร ท่านมีโคตรกูลอย่างไรเป็นสิทธิ์ของใครท่านถูกฆ่าพระองค์ถามแล้วก็ไม่แคร่งพรามเป็นดังพญาไกรสรราชสีตอบว่าท่านผู้มีอายุเพราะพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกอาตมาเป็นสิทธิ์ของพระองค์ข้าพระองค์ได้ถามต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากท่านผู้มียศยิ่งใหญ่เกิดตา ม, มา ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าของท่านเป็นเช่นไรท่านผู้เจริญเข้าพระเจ้าขอโอกาสขอท่านโปรดบอกแก่เข้าพระเจ้าด้วยเถิดท่านถูกข้าพระองค์ถามแล้วจึงแสดงบททุกบทที่ลึกซึ้งละเอียดสําหรับกําจัดลูกสอนเพื่อตันหาสําหรับเป็นเครื่องบรรเททุกทั้งปวงว่ารำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระทถาคตตรัสเหตแห่งทำเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสสอนอย่างนี้เมื่อพระอัสชิเถระแก้ปัญหาแล้วข้าพระองค์นั้นได้บรรลุผลที่หนึ่งโสดาปติพนเป็นผู้ปราศจา ก, กทุลีเคอกเลตปราศจากมณีเคเกิเลตเพราะได้ฟังคำสอนของพระชินเจ้าข้าพระองค์ได้ฟังคำของพระมุนีแล้วได้เห็นธรรมอันสูงสุดอย่างรู้พระสัทธรรมจึงได้กล่าวภาถานี้ว่า ถ้ามีเพียงเท่านั้นทมนี้นั่นแหละที่ข้าพเจ้าเพิ่งบรรลุท่านรู้แจ้งทางที่ไม่เศร้าโศกซึ่งข้าพเจ้าไม่เห็นแล้วล่วงเลยมาหลายหมื่นกับข้าพเจ้าเมื่อแสวงหาธรรมได้เที่ยวไปในลัทธิที่ผิดบัดนี้ได้บรรลุความประสงค์นั้นแล้วจึงไม่ใช่เวลาที่ข้าพเจ้าจะประมาทข้าพระองค์ที่พระอัสฉริระให้ยินดีแล้วบรรลุทางที่ไม่หวั่นไหว เมื่อจะไปเสาะหาสหายจึงได้ไปยังอาสมสหายของข้าพระองค์ผู้ได้ศึกษามาดีพี่พร้อมด้วยอิริยาบทเห็นข้าพระองค์แต่ไกลเทียวจึงได้กล่าวคํานี้ว่าท่านมีหน้าตาผ่องใสปรากฏประหนึ่งว่าจะเป็นมุนีท่านได้บรรลุอมตะนิพานหรือได้บรรลุบทคือพระนิพานอันไม่จุติท่านเป็นผู้สมควรแก่ความงามเป็นเหมือนผู้ฝึกฝนตนมาแล้ว เหมือนช้างถูกแทงด้วยหอกไม่หวั่นไหวพรามท่านเป็นผู้มีการฝึกฝนมาดีจึงสงบประงับแล้วในทางเป็นที่ฝึกข้าพระองค์ตอบว่าขขาพระเจ้าได้บรรลุอมตะธรรมซึ่งเป็นเครื่องบรรเทาลูกสรเกิด ค, ความเศร้าโศกแล้วถึงตัวท่านก่าจะบรรลุอมตะธรรมนั้นได้พวกเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถิดสหายนั้นอันข่าพระองค์ให้ศึกษาอย่างดีแล้ว จึงรับคำว่าดีละแล้วได้จูงมือกันมายังสำนักของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ศักยะบุตรข้าพระองค์ทั้งสองจกบวชในสำนักของพระองค์อาศัยคําสอนของพระองค์อยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะท่านโกริตตะเป็นผู้เลิ่อ ด, ด้วยฤทธิ์ข้าพระองค์เลิ่อ ด, ด้วยปัญญาข้าพระองค์ทั้งสองจะร่วมมือกันทำาศาสนาให้งดงาม เมื่อก่อนข้าพระองค์มีความดำริยังไม่ถึงที่สุดจึงได้เที่ยวไปในลัทธิที่ผิดแต่บัดนี้เพราะได้อาศัยทัศนะของพระองค์ความดำริของข้าพระองค์จึงเต็มหมู่ไม้เกิดบนแผ่นดินย่อมแย้มบานในฤดูการกลิ่นที่หอมอบอวนไปทำให้สรรพสัตว์ยินดีชันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากผู้เป็นจักรยบุตรมีประย์ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ในศาสนาของพระองค์แล้วย่อมสแสวงหาการเวลาเพื่อจะแย้มบานข้าพระองค์สแสวงหาดอกไม้คือวิมุตซึ่งเป็นเหตุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพให้ชาปสัตยินดีด้วยการได้ดอกไม้คือวิมุตข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุตลอดพุทธเขตยกเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมหามุนีแล้ว ไม่มีใครจะมีปัญญาเหมือนกับข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรของพระองค์เลยสิทธิและชุมนุมชนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนำดีแล้วให้ศึกษาดีแล้วฝึกฝนในอุบายเครื่องฝึกอันสูงสุดแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมือ่อท่านเหล่านั้นมีปกติเข้าฌานยินดีในฌานเป็นนักปราชญ์มีจิตสงบมีจิตตั้งมั่นเป็นมุนีสมบูรณ์ด้วยความเป็นมุนี แวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมือ่อท่านเหล่านั้นมักน้อยมีปัญญารักษาตนเป็นนักปราดฉันอาหารแต่น้อยไม่โลภสันโดษตามีตามได้แวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมือ่อท่านเหล่านั้นเถือการอยู่ป่าเป็นวัดยินดีในทุดงเข้าฌานใช้จีวรเศร้าหมองยินดียิ่งในความสงัดเป็นนักปราดแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมือ่อ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติพร่างพร้อมด้วยมรดย์ดำรงอยู่ในผลแลเะ Couple, เป็นพระเสขะพร่างพร้อมด้วยผลมุ่งหวังประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อท่านเหล่านั้นทั้งที่เป็นพระโสดาบันทั้งที่เป็นพระสกท า, าคามีทั้งที่เป็นพระอนาคามีและที่เป็นพระอระหันต์เป็นผู้ปราศจากมลทินเคือะกิเลสแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ สาวกของพระองค์จำนวนมากฉลาดในจติปทานยินดีในการเจริญพ่อชงทุกท่านแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อท่านเหล่านั้นฉลาดในอิทธิบาทยินดีในการเจริญสมาธิมันประกอบสมมาประธานแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อท่านเหล่านั้นได้วิชาสามได้อภิญญาหกถึงความสำเร็จแห่งริศถึงความสาเร็จแห่งปัญญา แวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมือ่อข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากสิทธิของพระองค์เป็นเช่นนี้เป็นผู้ศึกษาดีแล้วหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากมีเดชแผ่ไปแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมือ่อพระองค์มีสิทธิเหล่านั้นแวดล้อมผู้สมรวมแล้วผู้มีตบะเป็นผู้ไม่ครั่งคล้ามดังราชสีย่อมรงมดงามดัง ด, งดวงจันทร์ต้นไม้เกิดบนแผ่นดิน ย่อมงอกงามไพ่บรญบนแผ่นดินต้นไม้เหล่านั้นย่อมผลติตผลโดยลำดับข้าแต่พระองค์ผู้ศักยบุตรมีพระย์ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นเช่นกับแผ่นดินสิทธิ์เป็นเช่นกับต้นไม้ดำรงอยู่ในศาสนาของพระองค์แล้วย่อมได้ผลเป็นอมตะแม่น้ำสินธุแม่น้ำสระสวดีแม่น้ำจันทภาคาแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนา แม่น้ำสรพูและแม่น้ำมหีเมื่อแม่น้ำหลายสายนั้นไหลไปถึงทะเลทะเลย่อมรองรับไว้แม่น้ำเหล่านั้นย่อมละชื่อเดิมปรากฏชื่อทะเลฉันใดวันณะทั้งสี่เหล่านี้ก็ฉันนั้นมาบวชในสำนักของพระองค์แล้วก็ย่อมละชื่อเดิมปรากฏชื่อพุทธบุตรดวงจันทร์ปราศจากมนลถิ่นโคจรอยู่ในอากาศ มีแสงรุ่งโรยยิ่งกว่าหมู่ดาวในโลกทั้งหมดชั้นใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสิทธิ์แวดล้อมก็ย่อมรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นทั้งหมดในการทุกเมื่อคลื่นเกิดขึ้นในน้ําลึกย่อมไม่ล่วงเลยล้นฝั่งไปได้คลื่นเหล่านั้นกระทบฝั่งเป็นระลอกกระจายหายไปหมดชั้นใด เดรธีทั้งหลายในโลกก็ฉันนั้นมีทิฐิต่างกันเป็นชนจํานวนมากพวกเขาต้องการจะกล่าวธรรมแต่ก็ไม่ล่วงเลยพระองค์ผู้เป็นมุนีไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุก็ถ้าเดรธีเหล่านั้นเข้ามาหาพระองค์ด้วยความประสงค์จะคัดค้านครั้นมาถึงสำนักของพระองค์แล้วก็จะกลายเป็นจุนไปดอกโกมุตดอกบัวเผื่อนจํานวนมาก เกิดในน้ำแล้วติดอยู่กับน้ำและเปลือกตมฉันใดเราซาจำนวนมากก็ฉันนั้นเกิดมาในโลกแล้วถูกราคะและโทสะเพียรเตียนย่อมงอกงามในวัตตะสงสารดุดดอกโกมุตงอกงามในเปลือกตมฉะนั้นดอกโบลหลวงเกิดในน้ำงดงามอยู่กลางน้ำแต่ดอกโบวหลวงนั้นยังคงบริสุทธิ์ไม่ติดอยู่กับน้ำชั้นใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมาก พระองค์ก็ทรงเป็นฉันนั้นเป็นมหามุนีเกิดมาแล้วในโลกแต่ไม่ทรงติดอยู่กับโลกดุจ ด, ดอกโวหลวงไม่ติดอยู่กับน้ำฉะนั้นดอกไม้หลายชนิดที่เกิดในน้ำย่อมแย้มบานในเดือนสิบสองไม่ล่วงเลยเดือนสิบสองนั้นไปเพราะเดือนสิบสองนั้นเป็นกาลสมัยที่ดอกไม้จะบานฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้ศักยะบุตร พระองค์ก็เป็นผู้แย้มบานแล้วฉันนั้นเราเศษของพระองค์ก็เป็นผู้แย้มบานแล้วด้วยวิมุตไม่ล่วงเลยคำสั่งสอนของพระองค์ไปได้ดูดดอกบโหลวงซึ่งแย้มบานด้วยน้ำไม่ล่วงเลยการละสมัยเป็นที่แย้มบานไปได้ฉะ น, นั้นต้นพยามาสาละออกดอกบานสพรั่งทรงกลิ่นหอมอบอวลไปคล้ายกลิ่นทิพแวดล้อมด้วยไม้สาระชนิดอื่นย่อมงดงามฉันใด ข่าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงแย้มบานด้วยพระพุทธญาณมีหมู่ภิกษุแวดล้อมย่อมงดงามดุจพญาไม้สาละฉะนั้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลาล้วนเชื่อหิมะว่าเป็นภูเขาที่มีโอสถสำหรับสรรพสัตว์เป็นที่อยู่ของพวกนาคอาูรและเทวดาทั้งหลายข่าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์ก็ทรงเป็นฉันนั้น ทรงเป็นดุดโอสถของสรรพสัตว์ทรงได้วิชาสามได้อภิญญาหกถึงความสำเร็จแห่งฤทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากผู้ที่พระองค์ทรงพระกรุณาพร่ำสอนแล้วนั้นย่อมยินดีในธรรมอยู่ในศาสนาของพระองค์ราชสีผู้เป็นพญาเนื้อพอออกจากถ้ำที่อาศัยแล้วเหลือดูที่ทั้งสี่จึงบรรเลงศีรษะสามครั้ง เมื่อราชสีผู้พญาเนื้อคำรามสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งกลัวอันที่จริงชาติราชสีนี้ย่อมทำให้เหล่าสัตว์สะดุ้งกลัวทุกเมื่อฉันใดข่าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากเมื่อพระองค์ทรงบรรลืออยู่พื้นพระสุทานี้ย่อมวันไหวเหล่าสัตว์ผู้ควรตรัสรู้ก็ย่อมตรัสรู้เหล่าสัตว์ผู้อยู่ในหมู่มารย่อมสะดุ้งฉันนั้น ข้าแต่พระมหามุนีเมื่อพระองค์ทรงบรรลื อ, อยู่เหล่าเดรถีทั้งปวงย่อมสะดุ้งดุดฝูงกาฝูงเหยี่ยวบินกระเจิงไปดุดฝูงสัตว์แตกกระเจิงไปเพราะราชสีผู้เป็นพญาเนื้อฉะนั้นเหล่าคณาจารย์บางพวกประชาชนเรียกกันว่าเป็นศาสดาในโลกท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมที่สืบสืบกกันมาแก่ชุมนุมชนข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมาก แต่พระองค์หาเป็นอย่างนั้นไม่ครั้นทรงตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงแสดงโพธิปัจจัยธรรมทั้งมวลแก่เหล่าสัตวพระองค์ทรงทราบอธิยาัสและอนุัยทรงทราบว่าอินทรีมีกำลังแก่กล้าและไม่แก่กล้าทรงทราบบุคคลสมควรและไม่สมควรจึงทรงบันเลอดุดมหาเมฆ เพื่อจะทรงตัดความสงสัยของชุมนุมชนที่จะพึงนั่งรอบจักรวาลผู้มีทิฏฐิต่างกันมีความคิดต่างกันพระองค์ผู้เป็นมูนีทรงรู้จิตของเหล่าสัตว์ทั้งปวงทรงฉลาดในข้ออุปมาตรัสแก้ปัญหาข้อเดียวเท่านั้นก็ทรงตัดความสงสัยของเหล่าสัตว์เสียได้พื้นแผ่นดินพึงเต็มด้วยมนุษย์ผู้เช่นกับจอกแหน้พวกเขาทั้งหมดพึงประคองอัญชลี ประกาศคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกอีกอย่างหนึ่งเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นเมื่อประกาศคุณอยู่ตลอดกลับหนึ่งพื่ประกาศคุณโดยประการต่างๆก็ยังไม่สามารถจะประกาศคุณให้สิ้นสุดได้พระตถาคตมีพระคุณหาประมาณมิได้ก็ข้าพระองค์สันเสริมพระชินเจ้าด้วยกําลังของตนอย่างไรเหล่าเทวดาและมนุษย์เมื่อสันเสริมอยู่ตลอดโกรธกลับ ก็พึงสรรเสริญอย่างนั้นเหมือนกันก็ถ้าใครๆจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามได้ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วจะพึงกำหนดเพื่อจะประมาณคุณผู้นั้นจะพึงได้รับความลำบากเปล่าค้าแต่พระองค์ผู้สักยะบุตรมีพระยน์ยิ่งใหญ่ข่าพระองค์ดำรงอยู่ในาศาสนาของพระองค์แล้วสำเร็จปัญญาบา ร, รมีอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ข้าพระองค์จะย่ำยีเหล่าเดรถีวันนี้ข้าพระองค์เป็นจอมทัพธรรมในศาสนาของพระศักยบุตรประกาศศาสนาของพระชินเจ้ากรรมที่ข้าพระองค์ได้ทำไวในการที่จะกำหนดจำนวนมิได้แสดงผลแก่ข้าพระองค์แล้วในอัตภาพสาุดท้ายนี้ข้าพระองค์หลุดพ้นดีแล้วดึกกำลังลูกสอนหลุดพ้นไปจากแรงเผากิเลส ข, ของข้าพระองค์ได้แล้ว มนุษย์คนใดคนหนึ่งพึงทูลของหนักไว้บนศีรษะตลอดเวลาเขาต้องลำบากเพราะของหนักเป็นผู้เต็มไปด้วยของหนักทั้งหลายข่าพระองค์ถูกไฟสามกองเผาไหม้อยู่เป็นผู้เต็มไปด้วยของหนักคือพบโดยประการนั้นท่องเที่ยวไปแล้วในพบทั้งหลายภูเขาสิเนรุอันบุคคลถอนขึ้นแล้วฉันใดก็พาระอันหนักข้าพระองค์ยกลงแล้ว พทั้งหลายข้าพระองค์ก็เพิกได้แล้วฉันนั้นจิต ท, ที่ควรทําทั้งหมดในศาสนาของพระองค์ผู้สากยะบุตรข้าพระองค์ก็ได้กระทำสําเร็จแล้วตลอดพุทธเขตยกเว้นพระผู้มีพระภาคผู้สากยะผู้ประเสริฐข้าพระองค์เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาไม่มีผู้เช่นกับข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในสมาธิถึงความสําเร็จแห่งฤทธ วันนี้เมื่อต้องการจะเนรมิส ค, คนหนึ่งพันคนก็ได้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นมหามุนีเป็นผู้ชำนาญในอนุปปภะวิหารธรรมตราสอนแก่ข้าพระองค์นิโรธัสมาบัติเป็นที่นอนของข้าพระองค์ข้าพระองค์มีทิพยจักสุบริสุทธหมดจดข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในสมาธิมันประกอบในสั ม, มปทานยินดีในการเจริญโพชง ข้าพระองค์ได้ทํากิจทุกอย่างที่สาวกจะพึงบรรลุแล้วยกเว้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเสียแล้วไม่มีผู้เช่นกับข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในสมาบัติได้ฌานและวิโมกเร็วพันยินดีในการเจริญโพชฌงเป็นผู้บรรลุสาวกปรมียญาณข้าพระองค์เป็นคนมีคารวะอย่างสูงสุด เพราะได้บรรลุสาวกปรมีญาณด้วยความรู้ข้าพระองค์มีจิตอนุเคราะห์เพื่อนสหพรมจารีด้วยศรัทธาทุกเมือ่อข้าพระองค์ละทิ้งความถือตัวและความเยื่ยยิงแล้วดุดงูถูกถอนเขี้ยวเสร็จแล้วหรือดุดโคอุชภะตัวเขาหักเสร็จแล้วเข้าหาหมูคณะด้วยความเคารพหนักแน่นหากปัญญาของข้าพระองค์จะเพิ่ ม, มีรูปร่าง ปัญญาของข้าพระองค์ก็จะต้องเสมอกับพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายนี้เป็นผลของการชมเชยพระยานของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมัตสีข้าพระองค์ประพฤติตามโดยชอบซึ่งพระธรรมจักนี้เป็นผลของการชมเชยพระยานบุคคลผู้มีความปรารถนาเรวซามเป็นคนเกียดคร้านและความเพียรมีการศึกษาน้อยไม่มีมารยาท อย่าได้มาสมาคมกับข้าพระองค์ในที่ไหนๆสักคราวเลยส่วนบุคคลผู้มีการศึกษามากมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายมันประกอบความสงบทางใจขอจงมาดำรงอยู่บนศีรษะของข้าพระองค์เถิดเมื่อพระสารีบุตรเทระจะชักชวนภิกษุอื่นๆในคุณสมบัตินั้นจึงกล่าวว่าเหตุนั้นข้าพระเจ้าจึงกล่าวกับท่านทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายตามจํานวนที่มาประชุมกันณที่นี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีให้ทานทุกเมื่อเถิดข้าพเจ้าพบสาวกรูปใดก่อนแล้วได้เป็นผู้ปราศจากทุลีคือกิเลตปราศจากมนทินคือกิเลตสาวกรูปนั้นมีนามว่าอาสชิเป็นนักปราชญ์เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระอาชชิเทระนั้นวันนี้ข้าพเจ้าได้เป็นธรรมเสนาบดีถึงความสำเร็จในคุณทั้งปวงจึงอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะพระสาวกรูปใดชื่อว่าอาชชิเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าอยู่ณทิศใดข้าพเจ้าจะนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นพระผู้มีพระภาคผู้โคดมสากยะผู้ประเศรศสเริฐทรงระลึกถึงกรรมของข้าพเจ้าแล้ว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 ได้พากิกคาถาเหล่านี้ด้วยประการาชนีสารีปุตตะเทราประธานที่หนึ่งจบ